ถ้าเราไปถามตำรวจนครบาลหรือตำรวจภูทรที่มียศตั้งแต่ร้อยตำรวจเอกขึ้นไปว่ากลัวผีไหมเชื่อขนมกินได้เลยนะคะว่านายตำรวจเหล่านั้นจะต้องตอบทันทีว่าไม่กลัวถามหมอหรือนายแพทย์ทุกโรงพยาบาลในกรุงเทพและต่างจังหวัดในลักษณะเดียวกันคำตอบก็ไม่มีอะไรแตกต่างถ้าถามพยาบาลแล้วก็ชัวร์ปาวนะคะว่ากลัวคะ่ะ คนที่เป็นใหญ่เป็นโตทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่หน่วยงานใดถ้าถามในคําถามเดียวกันก็คงตอบไม่แตกต่างกันถึงว่าจะกลัวแค่ไหนนะคะก็จะต้องตอบว่าไม่กลัวค่ะขืนตอบว่ากลัวก็คงจะเสียฟอร์มนะคะเสียฟอร์มอย่างเดียวไม่เท่าไหร่ค่ะขืนเป็นผู้ที่อยู่เป็นหัวแถวเนี่ยแสดงความอ่อนแอออกมาให้เห็นก่อนก็จะเสียการปกครองลูกน้องชั้นปลายจะนินทารับหลังเอาว่าเจ้านายเนี่ยงมงายขาดภาวะการเป็นผู้นําไปโน่น แต่ก็จะมีผู้ใหญ่บางท่านค่ะที่กล้าออกมาฟันธงว่าผีมีจริงทั้งที่คำพูดประโยคนี้ท่านไม่อยากจะพูดแต่ก็ต้องพูด เรียกว่าพูดในสิ่งที่เห็นและเห็นในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยเชื่อเคยถกเถียงกับใครต่อใครมามากแล้วว่าผีไม่มีในโลกผีเกิดจากจิตใจของตัวเองจินตนาการให้มันเป็นรูปเป็นร่างหลอกหลอนตัวเองจนขวัญห น, นีดีฝอท่านผู้ใหญ่ท่านนี้สารภาพนะคะว่าเคยถกเถียงกับเพื่อนๆก่อนที่ตัวเองจะมาเจอกับตาเนื้อ จนแบบยากที่จะอธิบายได้นะคะแล้วก็ยากที่จะปฏิเสธได้สำหรับผู้ใหญ่ท่านนี้นะคะบีเองขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านนะคะคือท่านพลตำรวจโทชัยยงปฏิพิมพาคมตอนที่ท่านได้เจอกันกับผีอย่างจระนั้นท่านเองเนี่ยยังเป็นนายตำรวจหนุ่มยศร้อยตรีชัยยงตำแหน่งรองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจนครบานสํารานราชฎกรุงเทพมหานาครค่ะ ในช่วงที่ท่านมารับตําแหน่งใหม่ๆท่านได้เช่าบ้านไว้หลังหนึ่งเพื่อเป็นบ้านพักหลังการทํางานถ้าเป็นภาษาตํารวจก็จะต้องพูดว่าหลังออกเวร น, นะคะเพราะว่าตํารวจเขาก็จะมีเวรผลัดเปลี่ยนกันหมุนเวียนกันทํางานตลอด24ชั่วโมงเรียกว่าไม่มีวันหยุดที่แน่นอนเหมือนหน่วยงานราชการอื่นนะคะเรื่องราวนี้นะคะเกิดขึ้นในวันหนึ่งค่ะที่ท่านได้ไปซื้อเก้าอี้ผ้าใบมาเพื่อเอนหลังพักผ่อนเวลากลับจากการทํางานแล้วก็นําไปวางไว้หน้าระเบียงชั้นบนของบ้าน แล้วก็ในขณะนั้นตำรวจที่โรงพักยังมีน้อยแต่ว่างานที่จะรับผิดชอบเนี่ยมีมากมีผู้หมวดหนุ่มจึงไม่ค่อยได้กลับบ้านแต่ก็จะมีพวกน้องๆที่เข้ามาเรียนหนังสือในกรุงเทพแล้วก็ในวันหนึ่งพวกน้องๆเนี่ยได้บอกว่าตอนที่ท่านไม่อยู่เก้าอี้ผ้าใบที่ซื้อมาใหม่บนระเบียงจะมีเสียงดังออดแอดเหมือนมีคนขึ้นไปนอนแล้วก็โยกเล่นแต่พอขึ้นไปดูก็ไม่เห็นมีใครคะ่ะพอเดินกลับลงมาข้างล่างเสียงนั้นก็ยังคงดังมาอีก เสียงปริศนานี้เกิดขึ้นให้ได้ยินทุกวันแรกแรกท่านก็คิดว่าพวกน้องๆเนี่ยพากันคิดมากไปเองหูก็เลยแววไปก็ปลอบใจตามเรื่องไม่ได้ให้ความสนใจอะไรมากมายนะักจนกระทั่งเวลาผ่านไปสิ่งที่ท่านไม่เคยคิดว่าจะมีในโลกก็ได้ปรากฏตัวเป็นรูปเป็นร่างให้ท่านได้เห็นอย่างเต็มตาค่ะคือมีอยู่คืนหนึง่งและคืนนั้นท่านได้เข้าเวรและออกตรวจทองที่จนใกล้รุ่งสางของวันใหม่ ท่านได้กลับไปนอนพักผ่อนที่บ้านพักหลังจากที่ถอดเครื่องแบบผู้พิทักษ์สันติราชออกแล้วก็นอนเองตัวลงด้วยความอ่อนเพลียเพราะว่าปฏิบัติงานมาทั้งคืนน่ยนะคะก็เลยเผลอหลับไปในขณะนั้นเองหูของท่านก็ได้ยินเสียงคนเดินย่าพื้นเข้ามาใกล้ๆเตียงผ้าใบของท่านที่ท่านนอนอยู่นะคะด้วยสัญชาตญาณความเป็นผู้พิทักษ์สันติราชพอมีเสียงแววเข้ามาหูก็ลืมตาก็ลืมขึ้นมองไปยังเสียงที่ดังมาทางรอยแยกของมุ้ง ในบัตรดนนั้นเองค่ะเจ้าของเสียงเดินได้เอาหน้าดันมุ้งตรงรอยแยกเข้ามาให้เห็นอย่างเต็มตาใบหน้านั้นแม้จะขาวซีดแต่ว่าบ่งบอกถึงความผิดปกติอายุอนามเนี่ยก็อยู่ในวัยกลางคนไว้ผมสั้นใส่เสื้อคอกลมสีเขียวแสยะยิ้มให้แบบหน้าขยะขยงหน้าเกลียดหน้ากลัวนะคะแต่ว่าท่านเป็นคนที่ไม่เคยกลัวผีอยู่แล้วก็เลยงอเท้าขึ้นถีบเข้าที่ใบหน้าสีขาวซีดนั้นอย่างแรง แทนที่ฝ่าเท้าจะกระแทกใบหน้าที่โผล่เข้ามานั้นกลับเจอแต่ความว่างเปล่าค่ะไม่โดนอะไรเลยนอกจากมุง้งใบหน้าขาวซีดของแขกยามวิการได้หายไปทันทีหลังจากนั้นก็เข้าไปนอนภายในบ้านไม่นอนเตียงผ้าใบหลังนั้นอีกแล้วเพราะว่ากลัวแขกที่จะไม่ได้รับเชิญมันโผล่มาเยี่ยมเยียนทักทายพอวันรุ่งเช้านะคะก็ได้กลับไปเข้าเวรที่โรงพักสํารานราตามปกติเหมือนทุกวันที่ผ่านมาวันแล้ววันเล่า นั่นคืองานในหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติค่ะแล้วท่านก็อดไม่ได้ที่จะเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองมาสดสดร้อนๆทั้งหมดให้กับพวกสิบเวรฟังก็บังเอิญค่ะว่าสิบเวรคนดังกล่าวเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในเรื่องราวของผีสางพอสมควรประกอบกับประสบการณ์ที่เคยผ่านมาหลังจากท่านเล่าจบลงก็เกิดความสงสัยทันทีขอไปดูเตียงผ้าใบหลังใหม่ว่าเป็นอย่างไรมีอะไรแปลกปลอมผิดปกติไม่ชอบมาพากลหรือเปล่า หลังออกเวรแล้วผมขอตามไปดูเตียงผ้าใบาใหม่ของท่านที่บ้านได้ไหมครับผมสงสัยว่าเตียงหลังนั้นอาจจะมีอะไรแอบแฝงอยู่อย่างแน่นอนสิบเวรก็กล่าวอย่างสงสัยนะคะเอาซิหมูออกเวรแล้วไปด้วยกันท่านกล่าวแล้วก็เดินเข้าห้องร้อยเวรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกระทั่งได้เวลาเลิกงานหรือออกเวรค่ะจึงไปด้วยกันนะคะเมื่อไปถึงบ้านแล้วก็ขึ้นไปดูเตียงผ้าใบาตัวปริศนาบนระเบียงบ้านชั้น2ทันที ผู้หมูก็นั่งพินิษ์พิจารณาอยู่อย่างละเอียดเป็นเวลานา น, านพอสมควรแล้วก็หันมาบอกกับท่านว่าไม้ที่เขาทำขาเก้าอี้แล้วก็โครงทั้งหมดเนี่ยมันมีรอยไหม้แล้วก็รอยคราบน้ำเหลืองจากศพคนตายผมสันนิษฐานว่าพวกที่ทำเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ประเภทนี้พวกมันได้ไปเหมาซื้อไม้ลงศพเก่าๆาจากวัดแล้วนํามาดัดแปลงแต่งเติมทาเป็นเฟอร์นิเจอร์ออกขายในราคาถูกๆแน่นอนพวกนี้มันไม่สนใจหรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับผู้ซื้อไป ผมเชื่อว่านอกจากท่านจะเจอแล้วคนอื่นๆที่ซื้อเฟอร์นิเจอร์จากร้านนี้ไปต้องเจอเหมือนท่านอย่างแน่นอนพวกวิญญาณหรือผีพวกนี้มันจะหวงโรงศพของมันใครก็ตามที่เอาของมันไปมันจะต้องตามไปด้วยเพราะมันคิดว่าโรงศพคือบ้านหลังหนึ่งของมันนั่นเองใครจะแตะต้องหรือว่าเอาของมันไปไม่ได้มันต้องตามไปอยู่ด้วยทางที่ดีนะผมว่าท่านควรจะเอาเตียงผ้าใบาหลังนี้ไปถวายวัดซะเชื่อผมเถอะครับคืนยังเก็บมันไว้นะ มันก็จะปรากฏตัวให้เห็นอย่างเนี้ยอยู่เรื่อยๆจริงอยู่ครับว่ามันทําอะไรท่านแล้วก็คนในบ้านไม่ได้แต่ว่ามันก็สามารถปรากฏตัวมาห่วงแหนเตียงของมันตลอดไปไม่มีวันสิ้นสุดอยู่แบบนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะไม่อยากจะทําตามท่านเองก็ต้องทําตามเพื่อความสบายใจของพวกน้องๆรวมทั้งตัวเองไม่ต้องมาเผชิญหน้ากับไอ้หน้าขาวซีดนั้นอีกแล้วแม้ไม่น่ากลัวแต่ว่ามันน่าเกลียดแล้วก็น่าขยะแขยงค่ะจึงได้นําเตียงผ้าใบาไปถวายวัดในวันนั้น จากวันนั้นวันที่นำเตียงผ้าใบาไปถวายวัดแล้วในคืนต่อมานะคะก็ไม่ปรากฏค่ะว่าเกิดเหตุการณ์อนาขนลุกขนพองนั้นอีกนี่คือประสบการณ์ของท่านนายพลตำรวจโทชัยยงปฏิพิมพ์าคมเมื่อครั้งที่ท่านยังเป็นนายตำรวจยศร้อยตำรวจตรีประจำสถานีตำรวจนครบาลสํารัราชซึ่งปกติท่านเองก็เป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องปีสางนางไม้พูดผีเทวดาหรอกนะคะ ต่อมาเมื่อท่านได้เจอเข้าอย่างจริงกับตัวเองก็เลยหันไปศึกษาแล้วก็ค้นคว้าและปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังค่ะจนมีความเชื่ออย่างสนิทใ จ, จและไม่มีความสงสัยอะไรอีกแล้วว่าในโลกนี้มีผีหรือวิญ ญ, ญาณปะาปนแทรกอยู่ทั่วทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่อยู่อาศัายบนถนนหนทางหรือแม้แต่ที่ทางานเพียงแต่ว่าพวกมันจะแสดงหรือปรากฏตัวให้เราเห็นเมื่อใดเท่านั้น กรณีพวกทำเฟอร์นิเจอร์ฝาโลงนั้นนะคะท่านพลตำรวจโทรชัยยงได้ให้ความเห็นว่าน่าจะเป็นวิญญาณเจ้าของไม้ลงศพซึ่งนำมาทำเก้าอี้วิญญาณก็เหมือนมนุษย์นะคะพวกมันก็ยังคงยึดติดอยู่กับกิเลสตัวของกูก็ต้องเป็นของกูเมื่อมานอนในลงศพก็คิดว่าลงศพเนี่ยเป็นของกูใครจะเอาลงศพของกูไปทาอะไรกูก็ต้องตามไปหวงแหนแสดงตนว่าค่าคือเจ้าของก็เลยกลายเป็นผีหลอกผีหลอนนะคะ คนที่ขวัญอ่อนจิตใจไม่มั่นคงก็พันตกใจเจ็บไข้ได้ป่วยเอาง่ายๆก็มีดังนั้นผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่นะก็ควรจะฝึกจิตอบรมตนไม่ให้ยึดติดยึดเหนี่ยวกับสมบัติวัตถุนอกกายให้มากนักเมื่อใดนะคะที่จิตผูกมัดพัวพันมากๆตายไปเมือ่อใดแทนที่จะไปหาที่ผุดที่เกิดในภพภูมิใหม่ก็อาจจะกลายเป็นผีสัมภเวสีวนเวียนเฝ้าสมบัติอันไราสาระนี้ไปอีกนานเท่านานค่ะ เรื่องราวสยองขวัญเรื่องนี้เพิ่งจะเกิดขึ้นมาไม่นานนี้เองเป็นประสบการณ์เกี่ยวกับวิ ญ, ญญาณเพียงครั้งเดียวที่คุณชาดาโทนะกนกนะคะเคยสัมผัสมานับตั้งแต่เกิดจนปัจจุบันทำให้เธอได้รับรู้ว่าเมื่อเวลาคนเราประสบกับเรื่องราวเกี่ยวกับพูดผีวิญญาณกับตัวเองแล้วความรู้สึกที่เรียกว่าขนลุกว่าไปทั้งตัวนั้นมันเป็นเช่นไร เหตุการณ์ระทึกขวัญของคุณชาดาได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อคืนหนึ่งค่ะกลางเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2545นี้เองทุกสิ่งที่เธอประสบพบเจอมาจึงยังฝังแน่นอยู่ในความทรงจำซึ่งเธอได้เล่าถ่ายทอดให้ฟังนะคะว่าน้องจำได้ดีว่ามันเป็นคืนวันเสราร์เพราะคืนนั้นหลังจากที่น้องเลิกงานแล้วจึงได้นัดกับเพื่อน ซึ่งเคยเรียนร่วมกันมาตอนอยู่มหาวิทยาลายัยให้มาพบปะสังสรรค์และเที่ยวเตะกันตามระษาเพื่อนฝูงประมาณตี2หลังจากที่สถานที่เที่ยวของเราในคืนนั้นปิดลงน้องกับเพื่อนก็ได้มานั่งกินข้าวต้มรอบดึกกันกว่าจะแยกย้ายกันกลับก็ล่วงเข้าตีสหลังจากแยกกับเพื่อนๆนน้องก็ได้อาสาขับรถไปส่งเพื่อนคนหนึ่งซึ่งบ้านของเธออยู่ในเส้นทางเดียวกันกับบ้านของน้อง ระหว่างทางที่บริเวณย่านเอกมยัยน้องก็ได้พบเจอกับอุบัติเหตุรายหนึ่งเข้าเป็นอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ถูกเฉี่ยวชนกับรถอะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นคู่กรณีเห็นแต่สภาพของรถมอเตอร์ไซค์ที่ลมกลิ้งพังยับเยินอยู่กลางถนนและมีศพผู้ชายคนหนึ่งนอนเสียชีวิตอยู่คารถมอเตอร์ไซค์ขณะนั้นเป็นช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่มนุนิธิมาถึงที่เกิดเหตุแล้วสภาพศพของผู้ชายคนที่ตาย น้องจำได้ติดตาว่าเขาสวมเสื้อยืดสีน้ำเงินกางเกงวอร์มสีดำนอนจมกองเลือดร่างบิดงอไม่เป็นรูปจนน้องรู้สึกขนลุกขนชันขึ้นมาด้วยความเสียวไสเพราะไม่เคยพบเห็นภาพคนตายมาก่อนจากความเร็วเต็มเหยียดที่น้องขับรถมาในตอนแรกก็ต้องเปลี่ยนเป็นการขับรถด้วยความระมัดระวังแบบเต็มที่เพราะว่าตอนนั้นมือไม้มันอ่อนไปหมดจนกระทั่งน้องขับรถไปส่งเพื่อนที่บ้าน จากนั้นก็ขับรถเพื่อเดินทางต่อกลับไปที่บ้านของตัวเองโดยลำพังช่วงขณะที่น้องขับรถมาคนเดียวนี่เองน้องรู้สึกแปลกๆรู้สึกเหมือนกับขณะนั้นน้องไม่ได้นั่งอยู่คนเดียวภายในรถแต่ว่าเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกจริงๆค่ะมันเป็นแบบนั้นจริงๆแต่ว่าน้องก็พยายามแข็งใจขับรถต่อไปจนกระทั่งเมื่อเลี้ยวรถเข้าสู่ซอยซึ่งเป็นทางเข้าบ้านของน้องเหตุการณ์แปลกประหลาดอย่างหนึ่งก็ได้เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตา ขณะที่น้องกําลังขับรถเข้ามาในซอยที่ค่อนข้างเงียบแล้วก็เปลี่ยวหูของน้องก็ได้ยินเสียงแผดเหมือนเสียงรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งบิดมาด้วยความเร็วทางด้านหลังเพียงชั่วพริบตาปรากฏว่ามีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งขับมาด้วยความเร็วสูงแสงปาดหน้ารถของน้องขึ้นมาพร้อมกับโฉกตัดหน้ารถของน้องอย่างกระชั้นชิดจนน้องเองต้องเหยียบเบรกอย่างแรงจนล้อลากโชคดีที่น้องขับมาไม่เร็วนะักรถจึงไม่ถึงกับเสียหลัก น้องตกใจจนตัวสั่นเพราะไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แต่ว่าความตกใจกับเหตุการณ์ที่เกือบนำพาไปสู่อุบัติเหตุนี้อย่างเทียบไม่ได้กับครึ่งหนึ่งหรือแม้กระทั่งเศษเสี้ยวของความตื่นตระนกเมื่อน้องได้พบกับภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าซึ่งมองเห็นได้จากแสงไฟหน้ารถที่สาดกระจายทอดไปสู่ร่างของชายคนหนึ่งที่กำลังขี่รถมอเตอร์ไซค์คันนั้นเขาสวมเสื้อยืดสีน้ำเงินกางเกงวอ์มสีดำ สภาพร่างกายของเขาอาบโชคไปด้วยลิ่มเลือดสีแดงฉานใบหน้าของเขาหันกลับมาจ้องมองหน้าของน้องด้วยสายตาดุดันและเต็มไปด้วยความอาฆาตมาดร้ายและที่สำคัญก็คือน้องยังจำติดตาว่าชายคนนั้นเป็นคนคนเดียวกันกับที่น้องเห็นสภาพศพของเขาซึ่งกำลังนอนจมกองเลือดเสียชีวิตอยู่ณนะจุดเกิดอุบัติเหตุที่เพิ่งผ่านตามาไม่กี่นาทีก่อนหน้านี้เท่านั้นเองน้องขนลุกวาบไปทั้งตัว รู้ได้ทันทีว่าตนเองต้องเจอดีเป็นแน่จึงตัดสินใจกระชากรถออกโดยไม่สนว่าจะชนรถมอเตอร์ไซค์และชายคนนั้นหรือไม่แต่ผลก็ปรากฏว่าทั้งรถมอเตอร์ไซค์และผู้ชายคนนั้นได้อันตรธานหายวับไปกับตาเหลือทิ้งไว้เพียงความว่างเปล่าอันน่าสะพรึงกลัวสำหรับน้องเพียงอย่างเดียว วันรุ่งขึ้นน้องได้เดินทางกลับไปที่สถานีตำรวจอันเป็นท้องที่เกิดเหตุเพื่อสอบถามว่าชายคนที่เสียชีวิตเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นเป็นใครชื่อและนามสกุลอะไรเพราะคุณแม่ได้แนะนำว่าให้ไปถามดูเพื่อจะได้ทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ดวงวิญญาณของเขาการเดินทางไปสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจนี้เองทำให้น้องได้รับความกระจ่างถึงสาเหตุการติดตามมาหลอกหลอนของดวงวิญญาณตายหงดวงนี้ เจ้าหน้าที่ได้บอกชื่อและนามสกุลของผู้ตายให้น้องทราบหลังจากที่น้องเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังและยังได้รู้ว่าทางตำรวจสามารถติดตามรถคันที่ขับชนเขาเสียชีวิตแล้วหลบหนีไปได้ในเวลาต่อมาปรากฏว่ารถคันที่ขับชนเขาตายนั้นเป็นรถยี่ห้อเดียวรุ่นเดียวและสีเดียวกันกับที่น้องขับซึ่งนี่เองกระมังที่ทำให้ดวงวิ ญ, ญญาณของชายคนนั้นติดตามมาหลอกหลอนทางที่เพิ่งตายมาหมดัดมา อย่างไรก็ตามน้องก็ได้ทำบุญอุทิศกุศลไปให้ดวงวิญญาณของชายคนนั้นตามที่ได้ตั้งใจเอาไว้และน้องเองก็เชื่อแล้วว่าวิญญาณผีตายโหงนั้นช่างแรงสมคาร่ำลือและนี่ก็เป็นเรื่องเล่านะคะจากทางด้านของคุณชาดาโทนากนกนะคะผู้ที่เคยสัมผัสกับวิญญาณต่อหน้าต่อตาเจอมาแบบ จ, จัะจะเจอมาแบบน่ากลัวมากถ้าสมมติว่าเป็นคุณผู้ฟังเองไปเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ คุณผู้ฟังจะยังคงครองสติอยู่ได้ไหมคะแต่ว่า B ออกตัวก่อนเลยนะคะว่าถ้าเป็น B เองนะเจอแบบนี้โอ้ทำให้เป็นบ้าก็คงจะจับไข้หัวโกรนกันไปเลยกระมังคะเรื่องสุดท้ายที่เรานํามาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันในตอนนี้คะ่ะเป็นประสบการณ์จริงจากคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะโดยใช้นามแฝงว่าคุณเอกนะคะบอกว่าประสบพบเจอมาด้วยตัวเองเมื่อเร็วๆนี้ เรื่องมีอยู่ว่าในย่านแถวบ้านของคุณเอกเนี่ยได้รู้จักกับเด็กคนหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กันกับบ้านคุณเอกเด็กคนนี้ชอบเล่นผีถ้วยแก้วผีตะเกียบอายุแกก็ประมาณ12ปีได้นะคะบางครั้งแกก็จะมาชวนคุณเอกเล่นซึ่งคุณเอกเองก็พอรู้นะคะว่าเล่นเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ดีไม่ดีอาจจะเข้าตัวเองดังนั้นแกเมื่อถูกเด็กคนนี้ชวนบ่อยๆเข้าแกก็เลยเตือนค่ะ แต่ว่าเด็กนะคะไม่เคยได้ฟังคุณเอกเลยมิหนำซ้ำนะคะก็ยังคงเล่นอยู่เหมือนเดิมแล้วก็เย็นวันหนึ่งค่ะระหว่างที่คุณเอกกำลังนั่งดูทีวีอยู่น้องของคุณเอกก็วิ่งหน้าตื่นมาบอกว่าผีเข้าเด็กคนนั้นคุณเอกก็วิ่งไปดูค่ะปรากฏว่าเป็นเด็กผู้หญิงคนนั้นเนี่ยกำลังร้องโวยวายลั่นบ้านขณะที่แม่แล้วก็พระกาลังใช้น้ามนต์ประพรมนะคะเพื่อขับไล่วิญญาณร้ายให้ออกจากร่าง คุณเอกบอกว่าสังเกตดูว่าบางครั้งเด็กก็กลับมาเป็นตัวของตัวเองบางทีก็พูดว่ากูไม่ไปกูไม่ไปบางครั้งก็ร้องขึ้นมาว่ายายามันมาแล้วมันจะบีบคอแล้วพร้อมกับร้องให้แม่ช่วยเป็นอย่างนี้สลับกันไปตลอดเวลานะคะซึ่งคุณเอกเองก็เห็นว่าเรื่องมันชักจะไปกันใหญ่แน่ก็เลยเรี่ยงเดินไปหาร่างทรงท่านหนึ่ง ที่อยู่ในละแวกนั้นให้มาช่วยดูอาการของเด็กคนนี้หน่อยเมื่อร่างส่งมาก็ทำพิธีเชิญให้เทพลงมาประทับกร่างทันทีท่านสั่งให้นำเด็กคนนั้นเข้ามาเด็กคนนั้นก็ร้องว่าไม่เอาไม่เอาพระมาแล้วหนูกลัวผู้ใหญ่ก็เลยช่วยกันจับเพื่อให้เทพทําการเป่าศาีรษะหลังจากโดนเป่าค่ะเด็กคนนั้นก็ร้องเสียงหลงทันทีก่อนจะแน่นิ่งไป เมื่อเด็กได้สติแกก็เล่าให้ฟังบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเด็กนะคะอายุประมาณ16ปีนี่แหละบอกว่าจะฆ่าเธอนะถ้าไม่เอาพระที่สร้อยคอออกและเมื่อตอนที่ถูกวิญ ญ, ญาณเข้าสิงนั้นก็รู้สึกว่าเสื้อผ้ามันคับจนอึดอัดไปหมดทั้งทงที่เสื้อผ้าที่สวมอยู่นั้นก็หลวมนะคะพี่ชายของเด็กกล่าวเสริมขึ้นมาค่ะว่าน้องมีอาการไม่ค่อยดีมาหลายวันแล้วชอบบ่นว่าร้อนแล้วก็คันที่คออยากเอาสร้อยที่คล้องออก แล้วก็เคยเล่นผีตะเกียบให้ดูด้วยการใช้ตะเกียบลากไปตามตัวอักษรแล้วก็ได้ใจความว่าเด็กผู้หญิงที่มาสิงคนนี้ชื่อทิพย์โดนรถชนตายวิญญาณของทิพย์บอกว่าขณะนี้เธอลำบากมากหิวก็หิ ว, หวที่อยู่ก็ไม่มีอยากให้พี่ชายเด็กคนนี้ช่วยทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ด้วยจะได้พ้นเคราะห์กรรมสักทีาให้ทำตามจะเอาน้องสาวคนนี้ไปอยู่ด้วย ด้วยความที่ว่าเด็กคนนี้นชอบเล่นผีต่างๆนี่เองพี่ชายก็เลยนึกว่าเป็นเรื่องเล่นๆซะมากกว่าค่ะก็เลยไม่ได้เอาใจใส่แต่ประการใดจนกระทั่งวิญญาณมาเข้าสิงอีกครั้งหนึ่งเรื่องราวถึงได้โกลาหลนกันไปทั่วก่อนเทพนะคะจะไปเนี่ยได้สั่งไว้ว่า ให้ไปนิมนต์พระมาทําพิธีปะพรมน้ำมนต์เพื่อล้างอาถรรพ์เพราะว่าวิญญาณผีตายโหงนั้นแรงมากแล้วก็ควรจัดการทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาซะเขาจะได้หมดเวรหมดกรรมพ้นเคราะห์กรรมกันไปซึ่งคุณเอกนะคะก็ยังทิ้งท้ายกับทางเพจเราบอกว่าขอยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นและขอเตือนผู้ที่ชอบเล่นผีถ้วยแก้วผีตะเกียบหรืออะไรอีกก็แล้วแต่เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยตามนุษย์ไม่สามารถมองหรือสัมผัสได้จึงนับว่าเป็นการเสี่ยงเหลือเกิน หากสิ่งที่ท่านกำลังเล่นอยู่นั้นจะไม่มาดีแต่มาร้ายแทน ขอ ment, ค stand, ุณสําหรับการติดตามรับฟังพระเจอผีของเราด้วยนะคะคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์บีเองก็ได้อ่านนะคะอาจจะตอบทันบ้างไม่ทันบ้างอย่าเพิ่งน้อยอกน้อยใจกันไปยังไงบีเองก็ขอขอบพระคุณนะคะสําหรับทุกๆท่านที่กดติดตามช่องพระเจอผีช่องเล็กๆช่องนี้แล้วก็ยังคงให้กําลังใจด้วยการกดถูกใจกดไลค์นะคะหรือว่าจะเป็นการกดแชร์คลิปไปในเพจต่างๆหรือว่า Facebook ของตัวเองนะคะ วันนี้หมดเวลาของบีแล้วล่ะค่ะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ